นะโมตัสสะพังกวาโตอะระหะโตสมมาสมบุตตสะนะโมตัสสะพั a กวาโตอะระหะโตสมมาสมบุตตสะนะโมตัสสะพังกวาโต อาระหะโตสมมาสมบุทัสาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าาระหันตสสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงและก้าอ่า นะโมพุทธายะวันนี้ก็จะพูดเรื่องทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานเอโกมัคโคทางอันเอกทางอันเอกที่บุคคล ไต่เต้าเข้าสู่พระ น, น, นิพพานมีทางเดียวเอกเป่าหนึ่งเอกทางเดียวคือทานศีลภาวนามีทางเดียวส่วนพระของเราก็ศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าพระทานมาแล้ว ทานเวล่ำเวลาหาอยู่หากินไม่ไปทานทาต่อทานลูกทานเนี่ยไม่มีลูกอีเนี่ยไม่ทานไปแล้วพระจิงมีแต่ศีลสมาธิปัญญาสำหรับพระสาหรับโยมก็ทานศีลภาวนานี่คือทางที่เราดันเนินเดินเข้าสู่พระพาน หีทางดาเนินเดินออกจากทุกข์ก็เดียวกันนั่นแหละถ้าออกจากทุกข์ได้ก็ไปถึงพันิพัน์เท่านั้นเองเอาทานเราก็ทำกันมามากต่อมากแล้วลน่นการให้ทานทานระหว่างผู้ให้กับผู้รับ มีสมัยพุทธกาลมีคนไปทูลถามพระองค์ว่าทานยังไงพระเจ้าข้าจึงจะได้อานิสงส์มากแทนก็บอกทานที่ครบองค์หกครบองค์หกมีอานิสงส์กว้างใหญ่ไพศาลองค์หกก็พูให้สามพูให้ ก่อนให้ก็มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสว่าทานแล้วต้องได้บุญได้กุศลก่อนให้คณ ะ, ะให้ก็ททำจิตใจให้ชั่นเชื่นเบิก บ, บานแจ่มใสอยู่ให้ไปแล้ว อย่าอะไรอาวรสามอย่างนี้เป็นผู้ให้คือศรัทธาผู้ให <c oughs> <c oughs> ้สามอย่างที่หลังก็คือผู้รับผู้รับต้องเป็นผู้กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อออกจากความโลภ หรือผู้ปฏิบัติเพื่อจะออกจากความโกรธผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากความหลงหรือผู้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วทานที่ครบองค์หกแม้ว่าวัตถุสิ่งของทองเงินจะเป็นของน้อยก็าตามมากด้วยน้ําใจ ครบองค์หกก็มีอานิสงส์กว้างใหญ่ไพศาลไม่หาแต่ว่าทานเงินแสนเงินล้านดอกเงินบาทสองบาทก็ถ้าครบองค์หกก็อานิสงส์หลายให้เข้าใจอย่างนี้นะนี่ผู้ให้ผู้รับครบองค์หก อาณิสงก้อนใหญ่ไพศาลเปรียบเหมือนน้ำในทะเลมหาสมุทรไม่มีใครยังได้วัดได้ว่ามากน้อยเท่าไรอาณาสงของการทานแล้วกับทานก็มีอยู่สามอย่างธาตุทานสัยารทา น, าทานอธิบอดีทานทานธาตุ เอทานของเก่าของเศษของเหลือต่ำกว่าที่เราบริโภคอาศัยเหมือนกับเอาโยกให้หมูให้มา้าทานเศษของเศ ษ, ข อ, เศษของเก่านั่นแหละเรียกว่าทาตให้อย่างธาตุให้เหมือนกับให้คนใช้ให้หมูให้มา้าทานอันนี้เขาเรียกว่าทาตทาน ให้ของเกา่าอันที่สองก็สหายทานสหายก็คือสหะทานเสมอที่เราบริโภคใช้สอยของเสมอกันเรียกว่าสหะสหายทานที่เรายินเราใช้เราอะไรอยู่ เสมอที่เราวาริโภคเรียกว่าสหายทานเข้าใจสหายทานอธิบดีทานทานของใหญ่ของสูงกว่าเราวาริโภคใจสอยเช่นซื้อที่ดินสร้างวัดทานที่ดินสร้างวัดคนไปทำบุญ ท, ทาทานก็จะได้ไปที่ดินของเรานะั้นนะ อาคารสถานที่นั่นเป็นที่ปลูกสร้างศาลาวิหารกุฏิวิหารที่อาศัยของผ่านะั่นสร้างทานถวายที่ดินถวายกุฏิสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปขึ้นไปสร้างเจดีย์ขึ้นไปอ สร้างสังเวชนีสี่ตำบลสูงกว่ามันขึ้นไปอีกนะนี่เป็นการทานที่ใหญ่ประทับใจทานของใหญ่ของสูงกว่าที่เราบริโภคใช้สอยเรียกว่าอธิบดีทานยังมีทานใหญ่กว่านี้อีกนะอ่าไม่ว่าแต่ทานเท่านี้เนละ ทานทองเท่าหัวเคยทานไหมละ่ะทองเท่าหัวจะคลองก็ยังไม่มีไม่ได้เท่าทานผัวเข้าวัดเคยทานบ้างไหมละ่ะแต่ผัวจะไปวัดก็ยังกอแกงองแ ง, งกันอยู่นะ <c oughs> ไม่พอใจก็จะทานเข้าวัดนี่หว เออทานได้มาห่มผ้าเหลืองอยังนไงเขาทานเขวัดนี่เนี่ยถ้าไม่งั้นออกมาไม่ได้หรอกเป็นบ่าวเขาเป็นชี้่าเขาเป็นชี้ฆ่เมียเป็นชี้่าภรรยายอยู่เขาทานให้เราออกนี้มาบวชท่านจึงว่าทานทองเท่าหัวไม่เท่าทานผัวเขาวัดได้อาณิสงหลาย สามสิบสองกับนะอยู่กินใช้สอยไม่อดไม่อยากอยู่สามสิบสองกับไม่ใช่น้อยน้อยนะทานผัวเขวัดจึงสูงกว่านี้อีก <c oughs> อันนี้อธิบดีทานให้พากันเข้าใจผู้ชายก็เหมือนกันทานเมียเขวัดก็ได้เหมือนกันนะให้เมียไปบวชเป็นแม่ชีแม่ขาว ก็จะได้บุญได้กุศลไร้อันนี้ก็พูดเรื่องทานให้เราฟังทานของใหญ่ของสูงก็เรียกอธิบดีทานมนีทานดีกว่านี้อีกนะประมััถทานเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหม่ ะ, มะประมัตฏทาน ไม่เคยอ่ไม่เคยจะยินปรมาถทางทานปาลมีทา น, า น, าานอุปปาลามีใช่ไหมอุปปาเป็นนิสัยทานเป็นนิสัยทานธรรมดาทานจนเป็นนิสัยทานะปละมัตถปาลมีหนึ ทานของใหญ่ข้องสูงคือทานขั้นห้าทานขั้นห้าหละขั้นห้าได้จึงมีอานิสงส์ใหญ่นึกออกไหมล่ะจะทานยังไงกล้าทานไหมขั้นห้านั่งจะนี่ล่ะขั้นห้ากล้าทานไหมนี่ล่ะ ปรมาณธานคือทานขันห้าจาฆ่าขันห้าออกจากจิตจักใจจะไปพูดในตอนสมาธิให้ฟังอีกรอบหนึ่งเรียบปรมาณธานเออเนี่ยพอเข้าใจนะทานนี่เข้าใจแล้วนะทานเอาไปปฏิบัติเด้เด้ยินแล้วล่ะออที่นี่ก็สีนี่ บันไดที่สองคือศีลศีลเป็นผู้รับผลของทานผู้ทานนั้นเป็นผู้ได้ผู้ให้เป็นผู้รับผู้ทานก็คือตัวเราคือใจเป็นผู้ทานผู้รับผลของทานก็คือใจผู้ทานเป็นผู้ได้ผู้ให้เป็นผู้รับใจเป็นผู้รับผลของทาน ก่อนท่านท่านริงให้สมาทานศีลก่อนใช่ไหมไหวพระรับศีลนั่นนะแล้วก็กล่าวคำถวายทานทำให้ใจบริสุทธิก่อนแต่ก่อนใจอาจจะไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมเกงมา ให้สมาทานศีลรับเอาศีลห้าไปไว้ที่กิดที่ใจให้เข้าถึงไตสรณคมรักษาศีลห้าก่อนอจึงกล่าวคำฉายวทานใจบริสุทธิ์แล้วใจเป็นผู้รับแล้วนะอ่นนี่ละศีลศีลตัวนี้น่ละเป็นมันดาพ้องธรรม เป็นแม่ของธรรมเป็นต้นของธรรมส่วนมากเราไม่สนใจในสิ่งเท่าไหรมีแต่สนใจในทานใช่ไหมถ้าสิ่งไม่ดีทานแล้วก็ผู้รับ ก, ก็ไม่ดีมันต้องประกอบกันผู้ รับศีลศีลก็มีศีลห้าศีลอะไรอีกศีลแปดศีลสิบเป็นสีนของสมณะศีสองร้อยยี่สิบเดเป็นศีลของพระธรรมดาอธรรมดาศีลธรรมดา ศีลประเพณีสีนสังคมอันนี้สีนห้าศีนของคารวะญาติโยมสีนแปดก็ของสีลชีประขาวสีนสิบก็สีนของสมณเนรศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นศีนของพระท่านว่าสีนสังคมสีนประเพณี ก็ว่าพระก็ว่ารักษาชี้นสอง1 2อยยี่สิบเกต เ, เนนก็สังคมองเนนประเพณีก็เนนก็รักษาชิ้นสิบใช่ไหมล่ะชี้ปากเขาก็รักษาชิ้นเป็ดข้าราชการยอดโยมก็ชิ้ น, นี้นีบางคนก็ไม่มีก็มีชิ้น 4, สี่ช เลือิ้นสองใช่ไหมเอาจริงๆมันไม่ใช่วาเลนต์เลยชิ้นประเพนีพระบวชไปบวชไปเรียนหนังสือยังไปกินข้าแรงแจงร้อนอยู่ก็มีบวชไปแล้วยังไปถือเงินถือทองอยู่นน่นในถ้าทำไปในเขาจะบอก เงินเป็นอาบัตินิตชีต้องสละดทิ้งผ้าพูดทึ่เงินก็เป็นอาบั ต, ติาตาจิตตีไม่ได้เป็นผ้าแน่นนเป็นปูตุชนสงบวชเรียนหนังสือว่นนี้มนเขาแรงมันจะเรียนหนังสือได้โว้ไม่มีกำลังท่องหนังสือน่ะเวลาขึ้นรถขึ้นเรือไปเรียนหนังสือก็อนั่งเบียดกับสีกาไปอยู่ใช่ไหม เคยเห็นไหมขึ้นรถเมลรถอะไรนั่งเบียดเลยไม่เบียดยังจะไม่ทันโรงเรียนว่ากันนะจะมารอคันนั้นว่างคันนี้ว่างมันก็ไม่ว่างเยอะทียังไงก็บุกขึ้นไปเลยนั่นแนหะ <c oughs> ละเป็นประเทนีเล่นบั่งไฟเล่นไก่ตีดูหมอดูหมอตัดกรำตัดเลนบอกหวยทถวเลขซื้อหวยพร้อมก็มีพระนั่นแหละ นั่นฮะท่นเป็นอย่างนั้นนะศีลสังคมเป็นอย่างนั้นศีลประเพณีตายไปแล้วก็เป็นตกอบบยาบุญที่เก่าบวชแล้วไม่ใช่หัดตายไปจะไปขึ้นกัะบวนนิพนธนได้อันนี้เป็นศีลประเพณีศีล ส, สังคมอ่ามีศีลอันหนึ่งที่พระพุทธองค์บัญญัติเรียกว่า กุศลกรรมบุสิทธ์เคยได้ยินไหมฮะกุศลกรรมบุสิทสิศีลกุศลกรรมบุสิทธ์กุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทำบทแปลว่าทางทางกระทำของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นตนกระทำลงในศีลนี้ มันใช่ศีลประเภทนี้นนี่เป็นอัธิศีลแล้วเข้าใจมไหมล่ะอัธิศีลคือศีลยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าศีลประเภทนี้ศีลทั้งคมเรียกว่าอัธิศีลอัธิศีลศีลยิ่งยิ่งขึ้นไปคือศีลกุศลกรรมมาหมดสิบแม่พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติลงในศีลนี้ท่านจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอือ ศีลกุศลกรรมบทสิท์หรือท่านเรียกว่าอริยะกันต์ศีลศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายได้แจกกายกรรมสามไม่เอากายไปทาบาปสามอย่างฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมมาย่อลงทางนี้นะศีล วัจีกรรมสีไม่เอาวาจาไปพูดบาปชดจจริญสี่อย่างพูดปดพูดอะไรเอจฮะพูดต่อเสียพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อแล้วไหลไหลสละเรียกว่าวัจีกรรมสีมโนกรรมสามอืม มนุ่งไปไว้ใจไม่คิดโลกอยากได้ของเขาถ้าโลกอยากได้ไม่ได้มันจะไปรักเอาไปกลนไปฆ่าไปตีไปโกโหกหลอกลวงเอาไม่โลกอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามทถนอ ง, องท้องธรรมเห็นว่าบาป มีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แจ้งอีกศีลอนันนี้ผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติผู้นั้นก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นตนคือพระโสดาบันง่ายไหมละ่ะจำได้ไหม กายกรรมสามวกีกรรมสี่มโนกรรม 3. สามศีลอันอนี้เป็นศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายใครนำออยไปปฏิบัติผู้นั้นก็ได้เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าง่ายๆนี่หรือเรียกว่าเป็นพระ สุปฏิปโนไม่ได้อยู่ไก้ไม่ได้ซื้อเด็กนะที่เราสวดอยู่สุปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโร <c oughs> สงสาวกของพระพุทธเจ้ามูใดปฏิบัติดีแล้วอะไรดีกายดีวายจาดีใจดี ผู้ใดปฏิบัติกายดีวาจาดีใจดีกายะสะอาดวาจาสะอาดใจสอาดก็จะกลายเป็นวาจาใจกายเปรศวาจาเสรศใจเปรศก็จะได้เป็นผู้ปเสริศเข้าังไหมล่ะผู้ปเสริศไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่นี่ง่ายๆนี่เอง ผู้ประเสริฐนี่เขาเรียกว่าอาริอาริยะบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ประเสริฐกายประเสริฐวาจาประเสริฐก็ได้เป็นสงสาวกของพระพุทธเจา้ามูใดปฏิบัติดีแล้วเข้าใจไหมหล่ะเทนี่ฮสีนห้าก็ต้องมาบวก กุศลกรรมาบท1ิได้ย็นไหนเอามาบวกได้ไหมล่ะศินแปกก็บวกกุศลกรรมาบท1ิตแม่เป็นแม่ชีแม่เขาพ่อเข า, าเรักษาชินแปดแปดก็แดอยู่นั่นแหละไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังเป็นกุตุชนอยู่ท่าโอ้ ศีอลอริยาชนไม่อริยบุคคลไม่บวกก็เป็นอริยาบุคคลขึ้นมาเป็นพระอริยะขึ้นมาเรียกว่าอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันง่ายไหมล่ะนํอาออกไปเป็นนะไปปฏิบัตินะอะพอได้ยินเนี่ยมาฟังธรรมก็ต้องตองไปด้วยไม่ได้หลับจากฟังว่ามันนันหลับฟัง่งนะ วุอยกจะมาฟังเห็นหนุงานเนาะมาฟังทำไมมานอนหลับฟังมาหลับจาฟังฟังออกปัญญาความรู้สมาธิมันไม่เกิดปัญญานะปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังน ะ, ะหลุดพ้นจากการได้คิดได้ฟังแก่นแท้ของาศาสนาคือพิมุต คือหลุดพ้นหนึ่งหลุดพ้นด้วยการฟังเทศน์เนี่ยเราก็หลุดพ้นจากปุถุชนใช่ไหมเป็นได้ไหมล่ะเป็นอริยะชนได้ไหมอริยะบุคคลบุคคลอู้บัเสดนี่ก็หลุดพ้นอย่างนี้การฟังเทศถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจไม่จะหลุดพ้นได้อย่างไงอ หลุดพ้นด้วยการฟังฟังคนอื่นแสดงฟังคนอื่นเทศนี่ก็หลุดพ้นจากปุจจุชนไปเป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันนี่แหละห้าก็เอากุศลกรรมาบทจิตมาบวกใส่ได้เยินไหมเปิ ก็เอากุศลกรรมาบทจิตมาบวกใส่จิตก็เอามาบวกใส่สองร้อยยี่สิบเกดก็เอากุศลกรรมมาบทจิตมาบวกใส่เราจึงได้เป็นอริยสงฆ์ถ้าไม่เอาอันนี้มาบวกใส่เราก็เป็นปุตุชนสงฆ์หรือเป็นเปรตสง์อยู่อานี่เราก็เป็นปุตุชนอยู่ยังเป็นเปรตช น, นอยู่ใช่ไหมล่ะฮะ ถ้าเอากุศลก็มาบทคิดมาบวกใส่ก็ได้เป็นเป็นอะไรโออริยะบุคคลเกินมาอยากเป็นไหมอริยะบุคคลบุคคลผู้เปรตกายเปรตวาจาเรเปรตใจเปรตง่ายไหมล่ะฮะได้ซื้อไหมเนี่ยฮะชื้อใครไหมเน กายดีได้ชื่อคนอยู่เต๋อวาจาดีได้ขายให้คนอยู่เต๋อใจดีไม่ได้ชื่อได้ขายปฏิบัติลงที่พระธรรมคำสอนของพระเจ้านะี้พระธรรมคำสอนแปดเหมือนย่อลงมาอยู่กายวาจาใ จ, ใจผู้ใดนํำอกายวายจาใจไปปฏิบัตผิผู้นั้นก็ได้เป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นทําตามคําสอนก็เรียกว่าสาวก อันนี้เป็นสีนริยะกันตะสี น, น, นี่เคยได้ยินไหมสีนที่ทำให้เราเป็นอริยบุคคลจ้ำได้ไหมละ่ะจาได้แล้ว ต, ตจจว้ตั้งสัจจะเดียวนี้ตั้งสัจจะต่อไปเราจะเป็นอริยบุคคลขั้นต้นให้ได้ จะนำเอากุศลกรรมบทสิทมาสถิตไว้ที่จิตที่ใจใจเราก็บรรู้รู้เท่าเข้าถึงกุศลกรรมบทสิท ก, ก็ได้เป็นอริยะบุคคลขันโนรู้อยู่เพราะอะไรไม่อยากเป็นเป็นห่วงหลาน เป็นห่วงสามีใช่ไหมกลัวจะไปนอนร่วมกันไม่ได้ได้อยู่ไม่รองไปเป็นห่วงภรรยาดอกฟกเนี่ใช่ไหมโอ้เป็นอริยบุคคลจะไปนอนกับลูกกับเมียเลยโอ้เอาอีกแล้วใช่ไหมล่ะนอนได้ไหมนอนได้เอาสี่ห้าบวกกับส่วนว่บทสิบ เข้าใจญ่ไหมหายห่วงแล้วทีนี้ก้าเจนไหมล่ะก็ห <c oughs> ่วงแค่นั้นล่ะผู้ชายก็โอ้กล้าเจนพระโสดาบั น, นจะนอนกับลูกกับเมียกับผัวได้โว้ให้ไหมล่ะนอนได้ที่เก่าได้ยินไหมนางวิสาขาเจนจังจ่อายุเจ็ดขวบมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง กระดูกก็ยังเป็นพระธาตุยังเห็นมาถ่าปัจจุบันนี้เขาถ่ายมาลงในหนังสือนี่ยกกายข้ามโทษปุถุชนยกวาจาข้ามโทษปุถุชนยกจิตข้ามโทษปุถุชนเราก็ได้เป็นอริยชนอริยบุคคลบุคคลผู้ไปเสด สาธุเอาไหมอ า, อาเป็นบุคคลผู้ประเสฐแล้วกลับไปนี่ต้องไปสอนให้สามีภรรยาเป็นด้วยเป็นห่วงไม่ให้เป็นห่วงว่าจะไม่ได้นอนร่วมกันหรอกมันนอนร่วมกันได้เป็นห่วง ยังนางหนึ่งไปฟังเขตเพราะพระพเจ้ามาจเชียงนางไม่ได้แล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันกลับมารีบมาแวะบ้านเพื่อนอยากจะมาสอนให้เพื่อนเป็นพระโสดาบันด้วยได้ฟังมันกับลุงตาพูดให้ฟังได้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐแล้วเราดีใจหลาย ไม่ไปเกิดในอบายภูมนตรีอีกแล้วคิดถึงเพื่อนมาแวะบ้านเพื่อนพอมาแวะเพื่อนกำลังอาบน้ำใหม่ๆอยู่เฮ้ยผมว้ผมอยู่เห็นเพื่อนมาเฮ้ยเอาเปล่งกาวมาให้เราหน่อยคนนั้นบรรลุแล้วนะน้อมเอาคุณธรรมศประการไปไวในใจแล้วตัง้งสัจจะอธิษฐานว่านี่แหละอธิษฐาน บาลมีตั้งสัจจกบาราีอธิษฐานบารีแล้วว่าเราจะเป็นพระโสดาบันแต่แบบนี้เป็นต้นไปนี่ตั้งสัจจะอย่างนี้นะเข้าใจไ้มล่ะสัจจะบาลาีอธิษฐานบาลามีก็กบมาดีใจหลายอย่างนะเพื่อนเลยใช้เอาปิ่นกามาก็เลยหยิบไปให้กันคนหนึ่งเป็นปุถุชนคนหนึ่งเป็นพระอริยะ มาใช้กันก็ให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อนคนนั้นตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นคนชายเขาอยู่สี่โ็ห้าร้อยชาติกรรมทีช่ชายพระโสดาบันที่เป็นห่วงเป็นห่วงชะนีเนองลุงตาเป็นห่วงว่าสามีภรรยาเราจะมาใช้ พระอริยะปุตุชนมาใชาา่พระต้องเป็นบาได้ยินไหมะ่ะกลับไปต้องไปรียบสอนกันแน่รีบ <c oughs> บอกเลยค่อยเป็นพระอริยะเราเนี่ยบอก <c oughs> ค่อยฟังเทศมาวันเนี่ยเป็นพระอริยะบุคคลแล้วตั้งศัจจานิทานเอาอริยะบุคคลแล้วเวลาจะใช่ต้องระวัง ถ้าคนเสมอกันใช่กันไม่เป็นไรต้องไปสอนให้สามีภรรยาเราเป็นอริยบุคคลด้วยเวลาบอกเ็าใช่กันมันจึงไม่เป็นกรรมได้ยินไหมละ่ะตั้งสัจจะเอารืยยังตั้งเอารืยยังเออตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็เริ่อยบันรู้รู้เท่า เข้าถึงคุณพระโซดาบันเท่านั้นเององ่ายไหมล่ะโอ้ยสาทุให้เทวดาได้ยินให้เทวดาน้ำไหลไหลหน่อยแหมพวกนี้เป็นผ้าลิ้นยหมดแล้วเทวดายังเป็นปูตุชนอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เราเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว น, นั่นเ่ยเห็นชอบเห็นถูกต้องแล้วนะ เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงอยู่นนะเข้าใจไหมละ่ะเทวดายังเป็นมิจฉาทิถี่อยู่ยังมีอิจฉาพรยาบัติคนอยู่ก็มีนะเทวดาอันนี้ก็พูดเรื่องศีลทานก็เข้าใจแล้วนะศีลก็ต้องเอาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดบวก อริยะกักรดศีลหรือศีลกุศลกรรมบทศีลเข้าบวกใสเราก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันแหนนน่ะศีลเข้าใจจำได้ไห น, นองข้างหลังนั้นนอฮะอยู่ไกลก็ได้ยินเหมือนกันนั่นแะมาที่นี่ทานศีลภาวนาโอกไปหลายแล้วแหละ เท่าไรล่ะฮะใกล้ช่วงห้องิบัตฮะพอฟังทนไปได้ไหมล่ะอ่าต่อไปก็ภาวนานี่นี่ยทางเข้าสู่พระนิพพานทานสีลภาวนาภาวนาชื่อเต็มว่าจิตตภาวนา กิจ <c oughs> ก็แปลว่าใจนั่นเองกิจอันใดใจก็อันนั้นกิจตัพภาวนาภาวนาแปลว่าธรรมกิจแปลว่าใจภาวนาแบ่งออกเป็น้องอย่างแปลว่าธรรมหนึ่งทำใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาสองทำใจให้เกิดปัญญา เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นมันมีสองอย่างภาวนาทำใจให้สงบจิตก็หลุดพ้นจากขั้นห้าได้ทำใจให้เกิดปัญญาจิตก็หลุดพ้นจากขั้นห้าได้ทางเดินเข้าสู่涅槃จะมีอยู่สองสมถายานิต เดินไปทางสมถะคือกิตสงบวิปัสนาญย่างนี้อย่างนี้แต่วิญาณเข้าสู่พระนิพพานก็คือวิปัสนาญาเข้าสู่พระนิพพานก็คือสมถะไม่ได้ทั้งสองอย่างผู้ไม่ได้สมถะก็อเอาวิปัสนาอย่าไปโง่โอ้ยคิดก็สงบ เดินปัญญาไม่ได้หรอกได้เหมือนกันไม่มีสมาธิยังไงเวลาเราเดินปัญญาสมาธิก็จะแม่สมาธิในการคิดในการค้นคิดในการเพียรณาเขาเรียกว่าขันธ์สมาธิอุปยาสมาธิก็นม่เิีไปอยู่อย่างนี้ สมาธิกับปัญญาวก็เป็นคู่กันไปอย่างนี้เอา้าจะพูดสมมาภาวนาก่อนทำจิตให้สงบก็เข้าถึงพระนิพพานได้เอาให้ดีนะสัมมาทัสมเออกันก็หาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาเป็นเครื่องคู่ของจิต พระพุทธองค์สอนอานาปานาสติได้ยินไหมละ่ะอานาแปลว่าลมหายใจเขา้าปานะแปลว่าหายใจออกสติแปลว่าแล้วเล็กรู้เอาสติมาแล้เล็กรู้ลมหายใจเขา้าออกเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานาสติง่ายๆเท่านี้เองเอาลมหายใจ เป็นเครื่องรู้ของกิตเป็นเครื่องลึงง ล, ลึกของสติให้สติมาลึลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเยเข้าก็เรียกว่าเกิดออกก็เรียกว่าดับง่ายๆเท่านี้ย อ, อย่าไปคิดยากอ่าหรือเปรีย บ, ยบง่ายๆเอาลมหายใจเป็นหลักเคยเห็นหลักไหม หลักเสาหลักอะไรก็จารที่เขาผูกสัดผูกหมาผูกวัวผูกควายใจไม่กับหลักเอาลมหายใจเป็นหลักสกติเป็นเชือกผูกจิตไม่กับหลักจิตเราก็คือสัตว์คือวัวคือควายส ม, มุิคือหมาน้อย ขอหมาเข้ามาจากบ้านเองมันจะวิ่งหนีเอาเชือกมาผูกเชือกให้แน่นให้มั่นคงนะถ้ามันเชือกไม่ได้มันม่นวิเลศคือกิจนี่คือหมาเนี่มันจะกัดเชือกขาดลิงมันจะกัดขาดเชือกต้องให้แน่นหมาสติต้องแน่นหนาะทาบนหลักต้องให้แน่น อยากให้โคดให้ลม้มให้เห็นหลักอยู่อย่างนั้นเอาสติผูกจิตไว้กับหลักไม่ใช่นี่มีให้เห็นว่าลมหายใจคือหลักตัวหลักมันต้องให้เห็นนะอย่าให้มันลม้มมันโค้นถ้าหลักมันโค้นมันล้มไปหมาน้อยจะอยู่ไหมละ่ะวิ่งหนีไปหาพ่อหาแม่มันไปหาอารมณ์ ลิงก็วิ่งเข้าป่าเข้าดงไปใช่ไหมล่ะถ้าเชื่อกขาดเชื่อกดีหลักแน่นจิตมันจะวิ่งไปไหนได้ไหมมันก็หมอเฝ้าอยู่กับลมหรือมันรวมจิตก็มันรวมอยู่กับลมให้ใจมันมีแค่นี้อดีตความคิดในอดีตเอาออก อดีตผ่านมาแล้วจะดีก็ดีจะช่วยดีช่วยไม่ต้องเอามาตอนนั่นอนาคตไม่ต้องคิดไปถึงมันไม่เที่ยงแค่แน่นอนไม่ให้เอาเข้ามาให้เอาปัจจุบันอยู่เท่านี้ปัจจุบันคือลมหายใจเข้าออกเข้าออกยี่ วางอดีตอนาคตออกเท่านี้ได้เย็นไหมให้รู้อยู่กับปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนธรรมคือลมหายใจเข้าออกเข้าออกเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคาดเิ่ไหมอะไรเลยอย่าไปคิ ด, ดยาะเอียดเอาออกให้ได้ อนาคตอยางให้เข้ามาให้รู้อยู่กับปัจจุบันณธรรมปัจจุบันณธรรมคือขันหาปัจจุบันคือลมหายใจคือลูกธรรมได้ยินไหมกิจอาศัยในลมเรียกว่านามธรรมลูกธรรมนามธรรมเกิดดับ เกิดับเห็นให้เห็นปัจจุบันอยู่เท่านี้ก็พอแล้วถ้าเห็นปัจจุบนอยู่เท่านี้อดีตจะเข้ามาแทรกได้ไหมอันนัคตจะไม่มาได้ไหมดูไปดูมาดูไปดูมาก็ให้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้ว่าลมให้ใจคือกายในได้ยินไหมละ่กะกายในหรื้อยากกายหนไหม กายในคืออะไรคือลมหายใจคือกายในคือรูปธรรมจิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าเรียกว่านามธรรมเรียกว่าใจลมหายใจก็เรียกว่ากายจิตก็เรียกว่าใจกายกับใจอาศัยด้วยกันเรียกว่าคันห้าเลยไหมเกิดดับนี่เห็นอยู่อย่างนี้ เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นตายอย่างนี้เวลาลมหายใจเข้าไปเขาเรียกว่าเราเกิดวิญญาณวินคือลมญาณคือผู้รู้อยู่ด้วยกันเขาเรียกแต่กันว่าวิญญาณวิญญาณเข้าไปก็เกิดวิญญาณออกมาก็ตายตายชั่วขณะหนึ่งพระองค์เรียกว่าขานิกาโมและหนังตายขณะเดียว พอลมออกมาตัวจิตเราก็มาทิ้งเอากายเอาไว้ทรากศพเป็นทรางศพชั่วขนาดหนึ่งใต้ขนาดเดียวภาษาบาลีเรียกว่าคานิกะโมระนังต า, ายแบบปกปิดเราจรึงไม่เห็นว่าเราตายจึงไม่สลดสังเวชไม่ตกใจถ้าดูดีจะเห็นว่าหินญาณนึ่คือเรา ตัวจิตนี่คือเราเกิดตายหรือแทนเรียวลมหายใจเข้าใจคำว่าลมหายใจไหมเวลาลมเข้าไปจิตก็วิ่งเข้าไปด้วยเวลาลมออกมาจิตก็ออกมาแต่ว่าลมหายไปใจใจมาทิงอ่ไม่ไปด้วย ลมหายใจพจระองค์เองท่าเราเรียกว่าลมหายใจรู้จักลมหายใจไหมลมหายใจในอากาศแล้วเขาไปไหมใจหายไปไหมใจเหลืออยู่ไม่ได้พูดยาวได้พูดสั้นๆว่าลมหายลมหายใจใจเหลืออยู่ถ้าพูดเติมลมหายไปใช่ไหมล่ะใจเหลืออยู่ พอปวดสูดลมก็ไปอใจก็เข้าไปกับลมอยู่ก็เรียกว่ากายกับใจรูปทำนานทำเกิดดับเกิดดับดูอยู่อย่างนี้ไม่ให้อดีตมารบกวนอนาคตมาไม่ให้เอาเข้ามาดูไปดูมาลมยาวลมสั้น ยาวก็จะสั้นเขา้าสั้นก็จะยาวออลมหายใจทั้งสองจะสมดุลกันสมดุลแปลว่าอะไรฮ้เสมอกันไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปลมเบาลงเบาลงเท่านี้ไม่ต้องไปคาดไว้ไหมง่ายๆเท่านี้ไม่คาดแล้วยังได้สมาธิไม่อยากได้อันนั้นอีก ให้ีทัศน์แลเล็กรู้อยู่ว่าเราเกิดเราตายอยู่นี่ขันหาเกิดดับเกิดดับอยู่แค่นี้เอาไปมาสมถาัถชาลมก็เสมอกันส ม, สมัชชาแปลว่าเสมอเสมอกันเรียกว่าพระองค์เรียกว่าสมาัชาลมก็ตายก็จะรังนง กายเบาลงเบาลงตายระงับจิตระงับกายก็คือขันห้าใช่ไหมเขายังไหมขันห้าคือกายลูกธรรมจิตคือนามธรรมกายระงับจิตระงับกายกับจิตคือขั้นห้าระงับดับลงเมื่อมันระงับดับลงภาษาพระบัองค์เรียกปัดสัตธิเคยได้ยินไหม ปัจจับินกายละงับจิตละงับพอขั้นห้าดับลงกายกับใจดับลงก็คือขั้นห้าดับจิตก็หลุดพ้นจากขั้นห้าเหลือแต่ใจจิตแท้ใจเดิมเป็นผู้รู้ว่างสว่างผ่องใสครอบโลกอยู่ เนี่ยมันไม่มีไม่มีอะไรมากที่มันมีมากเพราะอะไรเพราะลองสงสยัยมันจะเมนโมโนไม่ในนช่โมโ น, ชนใช่ไหมพอเบาลมเบาลมมันสะใจว่าขาดใจเขาบ อ, อยุ่นสงสยัยความสงสัยนี่แหละล้วนเละสงสัยนี่แหละมันจึงไม่สงบพอเราไม่ต้องคาดจ้องหมยว่าเป็นไรดูไปเรื่อยๆลม กายระงับดับลงก็ขันห่าดับลงกายหยากนั่งอยู่นี่ก็ดับเหมือนกันเพราะว่าเราจะมาดับขันหขันหานยาบหยาบนี่ดับไม่ได้เข้าใจไหมมีฟันอย่า ง, งนี้เด็กฟันไรที่ไรมีเขานี่าจะมาหักด้ามพาด้วยหัวเขาย่อมหักไม่ได้ จะมาดับขั้นห้าสดๆอยู่ดีย่อมดับไม่ได้ต้องใช้กลุบูยบคือดับทางอ้อมดับขั้นละเอียดคือลมหายใจเข้าใจไหมล้วก็ได้เจโตวิมุตขึ้นมากิจหลุดพ้นจากขั้นห้าเจโตแปลว่าจิต วิมุตแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากลมหายใจขันละเอียดคือขันลมหายใจดับลงที่ว่ากายระงับจิตระงับนี่ขันห่าดับลงกายหยาด ก, ก็ดับลงเหมือนกันนี่ดับทางอ้อมดับโดยตรงไม่ได้ขันหยบหยาดเนี่ยต้องดับลมหายใจแทนลมหายใจจะมีอีกทีิทน สามารถดับกายหยาบลงได้ขนาดนั้นเมื่อเรานอนหลับใช่ไหมผู้ใดทําไปเคยกิตสงบแล้วจะเห็นจะเห็นแต่ความว่างสว่างทองใสครอบโลกถึงแสงสว่างอันนี้ไม่มีประมาณท่านเรียกว่าอามิตตาภาพระองค์ตั้งว่าอามิตตาภาอามิต แปลว่าไม่มีประมาณคำนวณไม่ได้แสงสว่างอันนี้คำนวณไม่ได้ไม่มีประมาณอาภาแปลว่าแสงสว่างแสงสว่างอันนี้ของใสไม่มีประมาณท่านจึงตั้งชื่อว่าอมิตตาภาพอไปประเทศกินเขาจึงตั้งชื่ออมิตตาพุทธเคยได้ยินไหมล่ะ หลังกินมันจะว่าอามิตาพุทธนั่นอ่าจิตของเราว่างเป็นพุทโธอยู่รู้รู้สวา่างสวัยอยู่่อมิตรแปลว่าไม่มีประมาณคํานวณไม่ได้ตาภาอาภาแปลว่าเสียงสว่างคำนวณไม่ได้ไม่มีประมาณนนมาาาาเาานนราก็ดับขันห้าได้ได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้า หลอกแหลกคือนั่งสมาธิแล้วก็ละสังขารดับขันห้าได้ขันห้านี่มันบังพระนิพพานอยู่เมื่อเราดับขันห้าได้เราก็เห็นพระนิพพานขึ้นมาเรียกว่าวีมุตได้ยินไหมละ่ะเจโตวีมุตนี่มันยากเลยยากไหมนี่แหละเจโตวีมุตเนี่ย นี่หลาทางเดินเข้าสู่วิญญาณที่หลุดพ้นจากขันหะขันละเอียดคือลมหายใจลมหายใจมีอิทธิพลจะดับขันหยาลงพอขันละเอียดดับลงลมหายใจหยาดดับแตไม่มีมีแต่ความว่างสว่างสวัยครอบโลกอยูพระองค์จึงว่าอามิทตาภะได้ยินไหมอมิทตาภะจําได้ไหม แสงสว่างครอบจกักรวาลอยู่มีแต่ความสุขความสบายนวลสว่างท่องใช้อยู่แสงอันนี้อ่าส่องไปได้ที่มืดไม่เหมือนแสงอาทิตย์แสงจันนะแสงอันนี้เป็นแสงแตกไไลกอะไรที่ทึบที่มืด อ, อะไรส่องทะลุหมด ไม่เหมือนใครใช้ใครใช้ของมาถูกต้นเสาเมันก็ถนทะลุไปไปได้ใช่ไหมละ่ะแต่แสงอาภาัเนี่ยทะลุหมดจึงทะลุไปถึงมาา่ามน อ, า ว, าอาวิชาดับอวิชาได้อวิชาดับเราก็เห็นพระานตอนนั้นเรียกว่าดับสังขารได้สังขารคืออะไรคือขั้นห้า แค่นี้แหละตอนนั้นขันห้าขันหยาดับลงเหมือนกับเรานอนหลับขันละเอียดล้มหายใจล้มหายใจไม่มีดับหมดเรียกว่าดับสังขารได้เราก็เห็นพญิพ า, านเข้าใจไหมนี่แหละท่านเรีนเข้าสู่พญิภานไม่ใช่อะหาอยู่ที่ไหนสงสัยที่ไหน คนไม่เคยเห็นมาเล้วให้ฟังมันเทศให้ฟังมันก็เอาความจํามาเอาความคิดมาเทศอันนี้เราเห็นแล้วนะเนี่ยว่างก็าว่างนวลทองใช้ยอยู่นี่ยน ะ, ะดับอวิชชาได้ถ้าลุกไปมัน่นอวิชชาอวิชชาดับลงขันห้างก็ดับสังขารก็ไม่มีเราก็เรียกว่าดับสังขารได้ละสังขารได้ ใช่ไหมยังไม่ใจพอจิตเข้าไปพักอื่มตัวนี่เรียกว่าสั ม, มาัาแล้วนะเนี่ยเห็นอารมณ์พระนิพพานแล้วฟังออกไหมนเนี่ยฮ อ, อยากเห็นไหมล่ะก็ทำแค่นี้แหลนะนี่ยไม่ได้ยากอะไรบางคนฟังไปฟังไม่รู้เข้าใจไปบรรลุกอะไรได้เนี่ยเห็นพระนิพพานไปด้วย นี่แหละรอบแรกเรียกว่าเจโตวิมุตมติกิหลุดพ้นจากขั้นห้ารอบที่หนึ่งลมหายใจไม่มีดับสังขารได้สังขารคือนั่งอย่นี้ขัน 5, ้นห้าแง่ไหสังขารอยาบสังขารละเอียดก็คือลมหายใจขันละเอียดแล้วก็ดับได้ดับสังขารได้ก็เข่าชูพนมผาา ใช่ไหมแล้วก็เห็นอารมณ์ภายในพานเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเป็นอมตะจิตรู้รูู้อยู่ตายไม่เป็นเห็นตอนมันเป็นอยู่นี่ยนะรู้รููู้้เป็นผู้รู้รู้รูพพ้นผู้สื่อผู้เบิกบานตายไม่เป็นก็เรียกว่าอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมก็ไปเห็นตอนนั้นอีก การเวลาไม่มีไม่มีการคํำกลางคืนไม่มีนาทีไม่มีชั่วโมงถ้าเข้าไปทิ้งจุดนั้นไม่มีการเวลาพระองค์จังตั้งชื่อเรียกว่าอกาลิกจิตการเวลาไม่ครอบงำจิตเราได้ได้ยินไหมล่ะอืม กิจจะแก่เป็นไหมฮ้ยจะแก่หน้าที่แก่ชั่วโ ม, มงเป็นไหมไม่มีอาการเรียกโกการเวลาไม่คมรอบงากิจกิจก็แก่ไม่เป็นเท่าไม่เป็นใต้ไม่เป็นจุดติไม่เป็นเคลื่อนที่ไม่เป็นจึงเรียกว่าพระนิพพานเราเห็นพระนิพพานได้เยี่ยมชมพระนิพพานรอบแรกแล้ว ลูลูอยู่เชยๆมีอารมณ์สองอุเบกขาเอกคัดกานุมนีเรียกว่าสมถภาวนาหรือเรียกว่าเอโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้าสิ่นอาสวิกิเลตตอนนั้นไม่มีธาตุไม่มีขันมีแต่ ความสว่างสวัยผ่องใสสุขสบายไม่มีการเวลาไม่มีอะไรนี่เรียกว่าได้เยี่ยมชมพระในพานเห็นพระในพันรอบทีแรกดับสังขารดับขันห้าได้ขันอยากก็ดับขันละเอียดก็ดับไม่ใช่ตายไปแล้วยิ่งจะไปดับเข้าใจไหมล่ะ ดับได้เรื่องจะยังไม่ายเนี่ยเมื่อจิตออกจากสมาธิมาเมื่อกิจ พ, พ่อนผ่อนเป็นที่แล้วกิจอินมแล้วกิต จ, จะค่อยถอนขึ้นมาอยากขึ้นมาอยากขึ้นอยากขึ้นจากอธิ k ิต t กิจละเอียดยิ่งละเอียด ย, ยิยง่งยิยง่งขึ้นไปท่านเรียกว่าอธิ k ิต t ได้ยินไหมละ่ะจิตละเอียดยิยยยยยย่งยิง่งยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีอะไรเลยเนี่ย เรียกว่าอาธิจิตนอกจากนั้นจิตอืยงตัวแล้วจิตจะถอนออกมาพ่อยยาบขึ้นอยาบขึ้นต่อไปก็เริ่มเห็นขันขันละเอียดคือลมหายใจเบาเบายาบขึ้นยาบขึ้นอยาบขึ้นเนี่ยเห็นลมหายใจหยากขึ้ น, ก, น, ก, น, น, น, ก, นก็เห็นไก่เริ่มจะเห็นไก่ขึ้นมา เห็นกายนอกเห็นขันหยากขันละเอียดก็เกิดเห็นขึ้นมาแล้วคือลมทางใจแล้วก็เห็นขันหยากขึ้นมาอีกก็มาเห็นกายของเราจิตจึงมาอุปทานเอากายอีกรอบหนึ่งเข้าใจไหมจิตจึงมายึดมั่นถือมั่นเอาขันห้าอีกรอบหนึ่งมาอุปทานเอาขันห้า ตอนเข้าสมาธิจิตวางอุปทานออกและอุปทานข้นงหน้าได้ดับสังขารได้นี่แหละคือเห็นอารมณ์พายในผ่านเกตจโดมุดคงเข้าใจนะเข้าใจไหมได้ยินแล้วจงไปทำดูเลยไม่ต้องไปคาดเป็นหมายอยากได้อันนั้นอยากได้สมาธิมันเป็นเอง ไม่จิตอยากจิตออกมาแล้วจิตก็มาอุปทานเอาขันห้ายึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นเราเป็นของของเราเอีกอ่ที่นี่เราต้องใช้ปัญญานี่นี่ะปัญญาวิมุตตเจโส ว, วิมุตตปัญญาวิมุตตมาดับขันห้าอีกลอดหนึ่งอ่า ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาจิตก็มาถือเอาคันห้าเอาเป็นเราเราเป็นคันห้ามันพือกันอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วยนไปนอนเนื่องอยูอย่ในชั้นดันเราตายเห็นรูป ก็หลงว่าเราเห็นทันทีใช่ไหม่ะฟังได้ยินเสียงก็หลงว่าเราได้ยินเสียงนี่นตัวกูตัวเราจะเกิดขึ้นมาตอนเข้าสมาธินี่เราไหมล่ะฮะขันห้ามีไหมเรามีไหมแัลมมบุคคลมีไหมไม่มีเข้าใจแล้วนะนี่ยหลุดพ้นหลอดแหลมเขาออกมา เราจึงมาใช้วิปัสสนาภาวนาอันนั้นเรียกว่าสมาถภาวนาออกมาก็มาใช่วิปัสสนาภาวนาเพราะว่าจิตมายึดมั่นถือมัน่นอกก้อนธาตุก้อนธรรมก้อนธรรมชาติก้อนอ น, อ น, นี้ก้อนสะกุลกายก้อนนี้ว่าเป็นเราเป็นของของเราเองเรามองไม่เห็น พระผู้ธองจึงสอนให้เราละมิชาทิฏฐิมิชาทิฏฐิแปลว่าอะไรฮะเห็นผิดเห็นผิดเห็นไม่ถูกหรือเรียกว่าอาวิชชาคือหลงหลงจึงไปเห็นผิดใช่ไหมหล่ะ เห็นว่ากายเนี่ยเห็นว่าขันหานี่เป็นเหล่าเห็นว่าก่อนสกนลกายคันหานี่มาเป็นต้นเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเหาเป็นเขาพระองค์จึงให้แย่กรรมฐานออกกรรมฐานห้ากรรมฐานสามสิบสองออกดูมาให้ควรพิจารณาดูเพื่อจะละ มิจฉาพิธีตัวนี้ละความเห็นผิดเข้าใจไหมละ่ะมิจฉาแปลว่าพิธีพิธีแปลว่าให้ละมิจฉาพิธีละความเห็นผิดเห็นว่ากายเป็นเราเป็นของของเรานี่เห็นถูกหรือเห็นผิด่ยฮะเห็นถูกอ่าเห็นถูกแล้วพ่าเห็น ถ้าพระอริยะเขาไหวเห็นผิดผู้โดยชนคือคนโง่คนหลงก็เห็นว่ากายเป็นเราใช่ไหมเห็นคันห้าเป็นหลนเห็นตนเป็นคันห้าเห็นคันห้าเป็นเราพระองค์จะบอกกรรมฐานห้าเมื่อพระจะบวชก็ต้องให้ท่องกรรมฐานห้าโยมก็ต้องท่องสวดมนต์ธรรมบทญายสวดมนต์ก็จะบา กายของเรานี่แลเนี่ยได้ไหมให้แล่เข้าไปดูกายเกสาโลมานทานคือกรรมฐานกรรมะแปลว่าการกระทาฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทาให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสนาภูมิได้ยินไหมเคยได้ยินไหมวิปัสนาภูมิที่เราสวดอยู่ใน ถ้าเป็นพระดอกยมไม่ได้ช่วยนี่ปัจฉนาภูมหกน่ภูมิทั้งหกภูมิมาลู้เท่าเอาทันขันห้าเนี่ยอายะกนะสิสองธาตุ1ิปดอินทรีย์ี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทภูมิสติปัญญามาลู้เท่าขันห้าลู้เท่าเอาทันอายะกนะสิสอง รูเท่าเอาทันธาตุสิบแปดรูเท่าเอาทันอินทรีย์ี่สิบสองรูเท่าเอาทันอริยสัจสีรูเท่าเอาทันปฏิจจสมบัตบบิเรียกว่าวิปัสนาภูมหกได้ยินไหมหนึ่งคันห้าสองอายะนาสิบสองสามธาตุสิบปด สี่อินทียเยสิสสองห้าอาริยสัจสี่หกปฏิจจสมุปบาทปัญญาทั้งหกภูมิหกชั้นนี้ถ้าใครมารู้เท่าเอาทันชั้นใดชั้นหนึ่งก็ดับสังขารได้สังขารคืออะไรฮะคือร่างกายจิตใจ นั่งนี่นี่ลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เรียกว่าสังขารลู่เท่าเอาถันสังขารเข้าใจไหมสังขารสังขารภายในคือตัวของเราภายนอกคือนอกตัวเราออกไปอันนี้ก็เป็นสังขารนะนี่อันนี้ก็เป็นสังขารนะลอดไปไหนอะไรมาปุ่มแต่งมาเกิดนพัดลมก็เป็นสังขารนะ สังขารภายในคือตัวของเราสังขารภายนอกคือนอกตัวของเราไปมาเข้าใจรู้เท่าเอาทันสังขารอืมสังขารก็คือรูปนำขันห้าใกายกับใจรูปนมขันห้านี่เรียกว่าสังขารอืมลูกทำนาทำทั้งหมดทั้งสิ้นนั่งอยู่นี่เรียกว่าสังขาร สังขารอันนี้เขามาสมมุติมันมาปรุงแต่งกันขึ้นดินน้ำลมไฟอากาศวิงญาณมาปรุงแต่งกันขึ้นใช่ไหมเรียกว่าสังขารมาประกอบกันเขา้าประชุมกันเข้าเรียกว่าสังขารปรุงแต่งกันขึ้นเขาก็เลยมาตั้งชื่อว่าลูกกับนามกายกับใจสมมุตินี่สมมุติว่ากายกับใจลูกทานามทาใช่ไหม สมมุติตั้งชื่อสมมุติให้เขาให้ทำไม่ใช่แต่ น, นี้ว่าไก่กับใจลูกกับน้ำลูกทําน้ำทาหรือสมมุติว่าขันห้าพระองค์จึงสอนให้รู้จักอันนี้ไม่แยกออกอ่าไม่หลงว่าขันห้าเป็นเราขันห้าเป็นตน เป็นแสกเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเรามาหลงเท่านี้หลงขันห้าก็หลงไปหมดทั้งห้าอย่างก็คือขันห้าเรียกสมมุติสุตตะโวหารเคยได้ยินไหมสุตตะโวหารสมมุติสุตตะโวหารสมมุติจั่งเที่ยเรียกกันไปต่างๆเฉยๆเรียกว่าขันห้าก็ได้นั่งยัง เรียกว่าอายะนะอายตนะเรียกว่าท่าสิบแปดก็อันเดียวกันสมมติไปสุดตโาโวหารวหารแปวคาพูดพูดไปอินรียี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทก็คือก้อนเดียวกันนี่เองได้ยินไหมล่ะใช่ไหมะจะเรียกว่าขันห้าก็ได้เรียกว่าอายะตนะส2บสองก็ถูก เรียกว่าธาตุสิบแปดก็ได้อ่าอ่าตาก็คือต า, อต า, อตาเราเนี่ก็คือลูกใช่ไหมอ่านี่ก็คือธาตุธาตุกระทบธาตุรับเสิธาตุรับธาตุกระทบก็คือลูกเสียงีกินลดใช่ไหมหูตาหูยหมูกคือธาตุรับเข้าใจไหม เรียกว่าตั้งชื่อว่าธาตุธาตุนับภายนอกคือลูกเสียงสินรถคือทาทธาตุกระทบวิญญาณหูวิญญาณตาก็คือธาตุรู้จะเรียกว่าขันห้าอันเดียวกันธาตุตาหูก็คือกายใช่ไหมเคยกายไหมอ่ า, ทาทธาตุกระทบกับตาหูก็คือลูกภายนอก ก็คือธาตุวิญญาณูหวิญญาณเจก็คือธาตุรู้เรียกว่าใจย่อลงมาก็คือไก่กับใจอันเดียวกันไหมได้ไหยอายักันหน้าสิบสองกับขันห้าอันเดียวกันไหมธาตุสิแปดก็คือขันห้าอายันหน้สิบสองก็คือขันห้าอริยสัจสีก็คือขันห้าปฏิจจสมุปบาทก็คือขันห้า พระองค์จึงให้แยกดูกรรมฐ า, านหาานานน้ากายไงเขาสมรรถกายไงดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเ็ามีตาหูจมูกดิ้นธรรมชาติจึงมาสร้างตาหูจมูกดิ้นกายใจขึ้นใช่ไหมก็เรียกว่ารูปภายในใช่ไหมเรียกว่ากายในมันไปกระทบกับ ลูกภายนอกคือลูกเสียงกินแลว้วผลทพะมันไปบอกใจบวกยินญาญยินญาญก็คือใจใจก็รู้ให้นี่แหละคือขันห้าทํางานเข้าใจไหมนี่แหละขั้นห้าทํางานเตอรรู้ขึ้นแล้วก็ดับนี่นะเตอรดับอยู่ขั้นห้าเกิดดับอยู่พบแล้วพบเ ล, ล้วอยู่ตลอดวัน วันนี้ได้เห็นลูกกี่ครั้งคงไมได้ยินเสียงกี่ครั้งอันเนกอันนันทพบเนี่ยนทะ่านหน้าเกิดพบแล้วพบเราอยู่อย่างนี้นี่มันเกิดอย่างนี้มันดับอยูน่นี่เราก็มาหลงว่าได้เห็นลูกก็มันหลงวันเราจึงมาถอดผมออกมาดูผมเป็นเราไหมคนเป็นเราไหม หนังเป็นเราเอ็นเป็นเราไหมอาการสารที่สองเป็นเราไหมไม่เปล่นรวมกันเป็นไก่เป็นก้อนสะกอนไก่ก้อนสะกอนไก่เป็นเราไหมนี่เราอยู่ในนี่ไหมเป็นอาจารหรือเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตานี่นะพระองค์จึงให้เข้าใจว่าขันห้าเนี่ย ว่าไก่มีตัวตนสัตว์บุคคลไหมมีไหมเป็นเพียงธรรมชาติมาปรรจุกันให้รู้ว่าตั้งชื่อสมมุติว่าไก่เขารู้จักว่าเขาเป็นไก่ไหมหรือเว็นรูปธรรมเขารู้จักว่าเขาเป็นรูปธรรมไหมอ่านี่เป็นสมมุติเฉยๆพระจุโ อ, องจะบอกให้เราแยกออกดูอย่างนี้ นี่หละวิปัสนามาลู้แจ้งซึ่งขันห้ารู้แจ้งซึ่งอายตนะสิบสองลู้แจ้งซึ่งธาตุสิบแปดนิพพัสนาภูมิแห่งปัญญาลู้แจ้งซึ่งอินทรีย์ยี่สิบสองอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาก็มีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูมีความเป็นใหญ่ ในการดึงจากค้งทันินซีโซตินซีานินซีนเราเรียกว่าอินซีอินซียมีความเป็นใหญ่ในการลมกลิ่นเครื่องจัหมูกทานินซคิวฮิงซเน่ก็คือกายคือเก่าใช่ไหมก็เรียกว่ากายวิญญาณจัมูกก็เรียกว่า ใจกายกับใจก็ทำงานอยู่อย่างนี้ก็ไมา่ารูแ้แจ้งนี่แหละวิปัสนาภูมหกพอเข้าใจไหมนี่พระองค์จึงสอนให้ละวิจฉาทิฏฐิเมื่อจะงงได้กลิ่นใช่เราหอมไหมใช่เราหอมไหมใช่เราเหม็นไหม อินมซีจ่จมูกมีความเป็นใหญ่ในการดมสิ่งใชใช่ไหมไม่ใช่เราเราก็ละความยินดีถ้าไม่ใช่เราได้สิ่งจะยินดีพอใจในสิ่งหอมไหมฮะเวทนาจะเกิดไหมน่มันก็มีแค่นี้ไลยนี่แหละสือพรนิพันนี่ให้พากัน เอาไปให้ควนพิจารณาดูนี่ปัญญามสมถะวิปัสนาสมถะภาวนาก็ทำใจให้สงบวิปัสนาภาวนาทำใจให้ดูแก้นซึ่งขันห้าอายตกนาสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สองส อ, ong, อริยสัจสีปฏิจจสมิบัต เมื่อมารูา้แจ้ ง, งนี้เรียกว่าธาตุขันธ์มันทำงานร่วมกันเฉยๆธาตุีขันธ์ห้ามันทำงานร่วมกันเฉยๆกายกับใจทำงานร่วมกันเฉยๆนี่สัตว์มีคนไหมละ่ะศึกษาเข้าไปให้เห็นนี่แหละ ว, วิปัสสนาภูมิ มารู II, ้แจ้งถึงขันห้าอายัดอายัดนะสิสองธาตุสิแปดเราก็ละขันห้าได้มีตัวมีตนไหมว่าขันห้ามีสัตว์มีคนไหมอายัดชนะสิสองมีสัตว์มีคนไหมหอมใช่เราหอมไหมเหม็นใช่เราเหม็นไหมเห็นใช่เราเห็นไหมเราก็ละได้เห็นก็อสัตแต่ว่าเห็นเฉย ไม่ใช่เราเห็นกิดคนว่างสว่างสวัเหมือนเราเห็นอยู่ในสมาธิไม่รับอารมณ์ถ้ารับเข้าไปก็เรียกว่าสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกข์เกิดความโลภขึ้นมาทุกข์ไหมละ่ะเกิดความโกรธขึ้นมาทุกข์ไหมละ่ะกัดหน้ากักจาาหน้าดำหน้าแดงขึ้นมาเลยลโกรธใช่ไหมละ่ะอ นอนไม่หลับทุกไหมคิดมากเหรอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันท่านจึงให้นี่แหละถ้าเราตาเห็นลูกตาเป็นเราไหมใช่เราเห็นไหมขันห้าเป็นเราไหมเราเป็นขันห้าไหมขันห้ามีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในขันห้าไหมเราอยู่ที่ไหนฮะเรามีไหม มีมีโดยสมมติยังไง <c oughs> ใช่ไหมเรามาหลงสมมติมาเชื่อสมมุติเนี่ยังปกดให้กันใช่ล่ะถ้าผมผลเรียบพันไม่ใช่เราอาการ3านที่สองมารวมกันเป็นเราไหมเป็นเราไหมไม่เป็นเขาด่าจะมาถูกเราไหมอก็ไม่ปวด จึงบอก er. คนโกรธก็คือคนโง่นั่นเองโง่เพราะอะไรพ่อหลงหลงว่าเรามีอยู่ในนี่ใช่ไหมนี่วิปัสนาภูมหกมารู้แจงซึ่งขั้นห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอิรียยี่สิบสองอริยะเจ็ดสี่ปฏิจจสมบัตเราก็ดับขั้นห้าได้เมื่อขั้นห้าทางานศูนย์กลางของขั้นห้าก็คือผัสสะ ตาคือรูปภายในหูจ ม, มูกลิ้นคือรูปภายในได้กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรถคือรูปภายนอกวิญญาณรู้ขึ้นเรียกว่าผัสสะเรารู้สิ่งต่างๆด้วยผัสสะเออย่าใจไหล่ ะ, อะพอเกิดขึ้นจิตเสวยอารมณ์อารมณ์เกิดจากผัสสะเนี่ ลูกอารมณ์บ้านลูกสวยลูกงามก็เกิดจากนี้เสียงดีไม่ดีเกิดอย่างนี้เลยไม่ได้เกิดจากผัสสะถ้าเราหลงผัสสะหลงว่าขันห้าเป็นเราสําคัญตนว่าเรามีอยู่ในผัสสะผีก็สวยอารมณ์จึง เ, เกิดเป็นเวทนาใช่ไหมเมื่อเวทนาเกิดตัญหาความโลภความโกรธก็เกิด อุปทานทุกชาติชร า, ามรณละก็เกิดทุกทั้งหลายก็เกิดด้วยปรกกาและชนๆๆนี้นเมื่อพัฒนาเกิดนี่เราไม่อลไรอยู่ในนั้นในพัฒนาธรรมชาติจริงอาใัยกันเกิดกายกระใจทา ง, งานร่วมกันมีสัตว์บุคคลไหมเอไม่ใช่เราเย็นไม่ใช่เราเย็นเมื่อพัฒนาเกิดเราก็ดับที่ผัสสานี่เอง ตัวอาวิชาก็ไม่เกิดอาวิชาจึงไม่ไปปรุงแต่งพัฒษาให้เกิดเป็นเวทนาอารมณ์ก็เกิดไหมล่ะใช่ไหมยินดียินายกก้ายโลภโกรธจะเกิดไหมไม่เกิดนี่แหละหตุเพียงเท่านี้คือพระนนี้ผนจิตก็ว่างจากโลภว่างจากอารมณ์ว่างจากสมตุต สว่างผ่องใสเหมือนกับเราเห็นอันนี้เรียกว่าปัญญาวีมูดหลุดพ้นจากขันห้าหรือเรียกว่าวิปัสสนาญาณิมันไปได้สมถะญาณิจิตสงบก็ดับขันห้าได้รอบนี้ดับสังขารได้รอบหนึ่งเมื่อออกจากสมาธิมาตายในลกหูได้ยินเสียง ตัวอวิชชาหลงว่าเรามีอยู่ในนี้จึงมายึดมัน่นคือมั่นในขั้นหน้าอีกแล้วก็มาดับลอดสองเรียกว่าวิปัสนาเขาอย่างนี้เธอดับขั้นหน้าดับอายดดั่งิตสองขาดสิเปล่าได้เห็นสัจจะว่าเห็นได้ยินสัจจะว่ายินทราบสัจจะว่าสราบสมูกได้ยินได้นดนลนรโพธิภพ คิดสักแก้วคิดไม่ใช่เราคิดจิดเราก็นิ่งว่างเป็นกลางอยู่ไม่ยินดีไม่ลายเหตุเพียนเท่านี้คือพันิพานสาธุสาธุสาธุนี่แหละคือทางดัาเนินเดินเข้าสู่พะนิพานคือทานศีลภาวนา เราหรือทางดำเนินเดินออกจากทุกก็มีทางเดียวเอโกทโมทางอันเอกเอเอโกเอเฟเวนเอโกมักโคโโหทางมัคไปฟวาทางทางอันเอกที่บุคคลแต่เจ้าเข้าสู่าในทางหรือทางอันเอกที่บุคคล เดินออกจากทุกข์เขา้าใจไหมเมื่อหมดทุกข์แล้วก็คือเข้าในพานอันเดียวกันอ่าอนี่แหละทางอันเอกที่บุคคลใจเต้าเข้าสู่พันิ์พันก็คือทานศีลภาวนาดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยประกาศในชาตนี้